อ, อบรมณโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 20-22 ถึงมีนาคม2560ตอนที่หนึ่ง e ne parla delle puntate ta oh. Gracias. เทคนิคในกา ร, ารทำงานอาชีพอยะไรก็ได้ถ้าต้องการความสำเร็จนะมีแค่สี่ข้อนะคือหลักลู่ที่่ามสี่เราต้องมีสังรรขารเป็นสิ่งที่เราทำนะคือมีความมือโปรไงมีความ าร่า I don't know. เหมือนเด็กๆ เ, เดินไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ยืนตั้งไข่นั่นคือสมาธินะฝึกประคองตัวนะไม่ให้มันล้มนะนั่นแหละคือฝึกสมาธิเบื้องต้นเดินมาลูกทีละก้าวทีละก้าวนั้นต้องใช้สติเดินบางทีก็ล้มบ้างลอยบ้างอันนั้นเป็นช่วงฝึกแต่ชีวิตเราวิ่งยังไม่ทันในตอนนี้ไนงะเพราะมันแข่งขันนะมันไม่ใช่ไปหาดเดินวิปัสสนาก็เช่นเดียวกัน ถ้ายังมีการกระทําอยู่ยังมีการสั่งการมีผู้สั่งแล้วแล้วก็สิ่งที่ถูกสั่งมีตัวกําหนดกับสิ่งที่กําหนดอยู่ยังเป็นสองอยู่เนี่ยนะวิปัสนาจะไม่เกิดขึ้นวิปัสนาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่มีการกระทําทั้งปวงไม่มีการสั่งการบางคนแย้งว่าเอาไม่มีการกระทํามาเต้นทําไมมาลําทําไมเต้นเพราะเต้น ล, ลําเพราะลัมไม่ได้ไปว่านั่งอยู่เฉยๆมันต่อไม่นะ เรานิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นโดยไม่มีการกระทาไม่มีท่าไม่มีสเตปไม่มีข้อกํากับมันดำเนินไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละจิตเราจะไปสัมผัสอารมณ์จริงๆนั่นคือวิปัสสนารแรกๆคนไม่เคยเต้นมาเคยลําเอ๊ะมาเต้นทำไมมาลําทำไมรู้สึกเขินรู้สึกอายนั่นคือวิปัสสนานะเราเห็นกิเลสเราแล้วไงไอ้ความอายนี้เป็นกิเลส ความคิดเป็นกิเลสเราเห็นหมาแล้วเห็นแล้วต้องหยุดแค่เห็นนะถ้าเราเผลอไปคิดเพิ่มเติมปุม๊บเป็นวิปัสสนึกคือนึกาคาดะ้อนวอีกมันไม่ใช่ความจริงนะพะ่อครูสรุปว่า28ปีพ่อครูที่หยุดชีวิตมามาอยู่กับสิ่งนี้แล้วเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรถ้ามีอันตรายแม้แต่น้อยพ่อครูจะหาเรื่องทำไมชีวิตคนเราไม่ใช่ทำเล่น กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยโนนเลียงแถวเนี่ยถ้าทุกคนมีตาทิพนะในห้องนี้นั่งอยู่ในข้างตัวเราเต็มไปหมดเลยนะเทวดาก็รอมาเกิดแทนเราเนะพวกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานพวกวิญญาณล่องลอยเนี่ยก็มาเกิดแทนเราเนี่ยนะกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ธรรมดาถูกกันกองมาแล้วถ้าไม่มีบุญมหาศาลเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ ที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐชนิดเดียวเท่านั้นที่จเจริญวิปัสสนาได้เพราะเรามีกายเวทนาจิตธรรมเ ท, ทวดาไม่มีเทวดาทำไม่ได้ไม่มีกายเทวดามีหน้าที่ทุกมากที่ต้องเสพสุขต้องรับกรรมดีของตัวเองที่ไปติดมันสัตว์เดรัจฉานก็มีกาย นะแต่เป็นเป็นจิตระดับต่ำที่มาอาศัยร่างกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจ่ายหนี้กรรมอย่างเดียวมนุษย์เราเนี่ยโครงสร้างตัวเราเนี่ยเล็กกว่าช้างแต่สมองเราโตกว่าช้างคือธรรมชาติเขาจัดลำดับนะว่าจิตดวงไหนมีบา ร, รมีแค่ไหนสร้างกรรมมาแค่ไหนสร้างบุญมาแค่ไหนถึงจะได้เกิดเป็นอะไรเอาล่ะเป็นมนุษย์พร้อมกันเดียวกันก็ไม่เท่ากันอีกมีพ่อแม่เดียวกัน ลูกฝาแฝดเลยก็ยังไม่เท่ากันนะคนโบราณท่านถึงบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้ไม่ต้องไปแข่งไม่ใช่เรื่องแข่งกันมันเป็นเรื่องของไขรของมันเรายกเราก็หนักเราวางเราก็เบาธรรมชาติไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่ว ถูกผิดดีชั่วเป็นเรื่องของภาษามนุษย์ที่สมมติขึ้นมาบางอย่างคนไทยบอกว่าถูกฝรั่งบอกว่าผิดบางอย่างฝรั่งบอกว่าถูกคนไทยบอกว่าผิดมันเป็นแค่สมมติบัญญัติที่ต่างกันความชอบที่ต่างกันมันไม่ใช่ความจริงความจริงคือทุกอย่างเกิดแก่เจ็บตายเราใช้ภาษาว่า ทำดีดีทำชั่วชั่วเอาไหนะบอกพวกคุณบอไม่มีดีไงเป็นภาษาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราทาสีขาวมันก็เป็นสีขาวเราทาสีดำมันก็เป็นสีดําเราทํำไปที่เรียกว่าดีมันก็ดีเราทํำไปที่เรียกว่าชั่วมันก็ชั่วมันเป็นหลักธรรมชาติคนอื่นไม่รู้จะจิตเราบันทึกเต็มๆแล้วเราหนีไปอยู่ในห้องน้ําคนเดียวสบายสบายไม่ต้องไปสร้างกรรม แต่เผลอนั่งหลับตาปุ๊บคิดถึงในกอเกียร์ชังในขอสร้างมโนกรรมคนอื่นไม่รู้จิตบันทึกสัญญาไว้แล้วเราหลอกจิตหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นี่คือมโนกรรมเห็นไหมเขาถามเราว่าสีอะไรเรารู้อยู่แล้วมันเป็นความจริงมันสีขาวแล้วโกหกว่าสีดำจิตบันทึกแล้วว่าเราโกหก แล้วทำยังไงผู้เจ้าไปตัดสรู้สิ่งนี้วิธีขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธิทุกวันนี้ไปปฏิบัติธรรมอยู่แค่ไปฝึกสมาธิจเจริญสติอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นวิชาฝึกสมาธิจเจริญสติทุกคนมีสติด้วยกันทั้งนั้นแหละโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่งั้นเขาป้นไม่สาเร็จนะ เขายังต้องใช้สมาธิสติมากกว่าเราอีกแต่เขาไม่มีศีลไม่มีปัญญาเขาสู้ความอยากเขาไม่ได้เขาก็เลยไปผิดศีลแล้วเพราะเขาขโมยมาแล้วเขาทุกข์อย่างนะเขากลัวว่าตำรวจจะสืบจับเขาได้เขาหลอกคนอื่นได้เขาหลอกตัวเองไม่ได้เขาก็ต้องรับกรรมนะพ่อครูไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้พราะครูเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ผลิตคอมพิวเตอร์ขายไปทั่วโลก ต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเรื่องพูดเรื่องเวียนไายตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมไปไกลๆไล่หนีไปหลายคนแหละแต่พอจิตเราเข้าถึงตรงนี้เนี่ยเราถึงรู้ว่าที่ผ่านว่าเราคิดว่าเรารู้มันเป็นแค่ความหลงรู้เท่านั้นเองแล้วก็รู้ส่วนหนึ่งแต่เราไม่รู้จริงทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราได้มาพบกันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นลยลอย ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเกิดขึ้นลอยลเพราะครูชอบยกตัวอย่างบ่อยๆเ็ายกตัวอย่างอีกฟังแล้วต้องฟังอีกฟังวันนี้ก็ฟังอีกปีหน้าถ้าเราไม่อยู่ปฏิบัตินะเราจะเข้าใจมากขึ้นสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งเนี่เวลาเดียวกันที่เดียวกันยางระเบิดแต่คนละวัน ไปเจอชายชะกันอีกกลุ่มใหม่เนี่ยมาถึงเนี่ยฆ่าข่มขืนฆ่าข่มขืนถามว่าทำไมคนนี้รอดทำไมคนนี้ตายแล้วตอบว่าบังเอิญคนนี้มาช่วยบังเอิญคนนี้มามาฆ่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติเหตุไม่ได้แปลว่าบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมา สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดวันนี้เราได้มาพบกันไม่บังเอิญไม่มีบังเอิญบุญกุศลที่สร้างมาร่วมกันน่แต่ทีนี้ทั้งบุญทั้งบาปเรียกว่ากรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยมันมีเงื่อนไขเวลาด้วยนะกรรมบางอย่างเกิดขึ้นทันทีเลยกรรมบางอย่างต้องเกิดขึ้นอนาคต กรรมบางอย่างต้องเกิดขึ้นชาติหน้ามันมีเงื่อนไขเวลาแล้วก็มันมีเงื่อนไขสถานที่ด้วยนะมันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ยลอยๆทำไมต้องมาพบกันวันนี้แล้วก็ที่นี่นะ28ปีพรอครูอยู่ในป่านนะั้นน่ะผู้คนมากหน้าหลายตามาจากหลายๆประเทศเนี่ขามาแสดงวิบากกรรมที่นูน่นบางคนเคยเกิดที่ศูนย์นะเป็นแม่งู บางคนเคยเป็นลูกงูอยู่ที่นูนเขาเห็นอดีตหมดนะทำไมพ่อครูเป็นคนไทยเอาละพ่อครูถูกให้นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่กําเนิดโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรทําไมพ่อครูต้องไปมีดวงตาเห็นธรรมที่อเมริกาเอาดวงตาเห็นธรรที่อเมริกาแล้วแล้วทำไมต้องกลับมาบ้านกรุงเทพก็มีบ้านเชียงใหม่ก็มีบ้านที่อําเภอเมืองอุบลก็มีทําไมต้องไปอยู่ในป่านั้น ถ้าเราไปนั่งคิดทำไมทำไมเนี่ยเราจะไม่มีคำตอบแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตปุ๊บเนี่ยเราจะมีคำตอบโดยไม่ผ่านความคิดนะก็ให้กำลังใจคุณครูทุกคนช่วงเวลาสามวันสั้นๆเนี่ยที่เรามาีโอกาสได้มาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยลองเปิดโอกาสให้จิตเราดูนะไอ้ที่ทำได้แล้วเนี่ยเปิดมากขึ้น ไอ้ที่ยังไม่ได้อย่าลังเลเปิดให้โอกาสจิตเรานะจิตเดิมเราตื่นเมื่อไหร่พุทธเดืนนั้นอาจารย์จริงๆเราตื่นขึ้นมาแล้วทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ที่ไม่เหมือนกันส่วนครูบาอาจารย์ข้างนอกเนี่ยเป็นแพทย์ผู้ชี้ทางผู้ให้กำลังใจนะผู้สนับสนุนแต่เราต้องเดินทางเองนะเข้าไปในจิตในจิตมีคำกล่าวของหลวงปู่ดุลก็บอกว่าจิตทรงออกเนี่ย เครื่องมือส่งออกคือความคิดนั่งอยู่ดีๆคนเดียวก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อันนั้นถือว่าขาดสติมันคิดเพราะมันมีความอยากคือตัณหานะจิตส่งออกคือสมูทยัยคือตัวตัณหาผลของการส่งออกคือทุกข์แน่ๆเพราะเราสร้างกรรมมนโนกรรมแต่จิตเห็นจิตคือมรรจิตเห็นจิตคือมรรจิตปัจจุบันเข้าไปสู่จิตเดิมเราเนี่ยเข้าไปในกระแสะมรรจผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง คือนิโรธนิโรธก็คือนิพานนะไม่ต้องไปอ้อมเข้าไปจิตจิตตรงๆบางทีครูบาอาจารย์เรียนหนังสือระบบการศึกษาสมัยทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลทีละขั้นทีละขั้นจนจบปริญญาตรีโทเอกนะแล้วก็มาเป็นครูบาอาจารย์เราก็เข้าใจว่าต้องทีละขั้นถูกแล้วเรื่องจิตวิญญาณก็ทีละขั้นแต่ไม่ใช่ทีละสะเตปสอนแบบนี้ทีละขั้นหมายถึงว่า อย่าไปถามว่าฝึกมากี่ปีได้ฌานเท่าไหร่ต้องถามว่าฝึกมากี่ชาติต้องเข้าไปเอามาต่อยอดเราจบปริยาโทลดมาต่อไปเอกไม่ใช่จับเรามาเรียนอนุบาลใหม่เราจบตีต้องมาต่อโทนี่คือเรื่องจิตวิญญาณไม่งั้นเราฝึกมาหลายชาติมันสูญเปล่าผู้เจ้าทึ้งสอนให้เราเข้าไปในจิตในจิตนะจิตในจิตนะเริ่มจากกายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เนี่ยทำในธรรมนี่คือธรรมะลมเนี่ยเราจะไปเรียนรู้สัมผัสกับธรรมะลมนี้ไม่ได้เหมือนเรา เ, าเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะถ้าเล่นตามโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวนี้เฉยเเนี่ยเราก็มีโปรแกรมข้อจํากัดแต่ถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ได้เนี่ยมีหลากหลายโปรแกรมมากนั่นคือกล่องปัญญาของเรานะสมวันนี้ ทุกคนเตรียมตัวเข้าไปในห้องแลบกตัวเองนะมีครูบาอาจารย์แล้วก็อนุโมทนาสาธุเราเรียกว่าเวิร์กเกอร์นะหรือพี่เลี้ยงหรือจิตอาสาเราเนี่ยก็มาช่วยกันดูแลนะก็ก็ทำอะไรก็ช่างก็อยู่ในสติสารวมระวังเพราะพื้นเราเป็นพื้นซีเมนน ะ, ะการที่จะล้มอะไรลงไปเนี่ยต้องลงไปอย่างมีสตินะส่วนจะกิ้งยังไงก็ช่างเนี่ย เดี๋ยวพี่เลี้ยงเราจะช่วยดูแลนะครับช่วงที่มันโรคโอมิคงนี่เราจะอิสรามากจิตจะมีพลังมากเพราะเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะลมนะเป็นอริยบทที่คิดว่าจิตอิสระมากนะแล้วก็ตั้งแต่วินาทีนี้้นไปก่อนที่เราจะเริ่มเข้าปฏิบัตินะให้ทุกคนวางหัวโขนก่อนวางหัวโขนชั่วคราวนะวางความที่เราเป็นวางก่อน คืนสู่อิสรภาพของจิตเดิมเรานะถ้าเราฝึกจิตเนี่ยยังติดบ่วงรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีมารยาทอยู่เนี่ยมันจะดึงจิตไว้จิตจะไม่อิสระนะตอนเด็กๆทุกคนจําได้เวลาเราดีใจเอ๋ไม่มีมารยาทเวลาเราเสียใจลงไปกิ้งร้องไห้ออกมาแล้วลุกขึ้นมาเด็กๆ เ, เ, เขาก็เล่นกันต่อ แต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยแขนนี่ต้องชําระสิปียังไม่สายแล้วแบกภูเขาอยู่ในอกตลอดเวลาเห็นไหมเด็กเขาอินโดเซนต์เขาบริสุทธิ์เขาไม่มีตัวตนเขาปล่อยออกแล้วก็จบแต่ตอนนี้เราโตแล้วให้ไม่ได้นะอายเขาเสียศักดิ์ศรีนะแล้วก็เด็กเขาไม่มีมารยาทเขาเลยไม่ต้องกังวลอะไรเขาปล่อยออกปุ๊บเลยเขาก็สบายแต่บางครั้งในสังคมเราต้องรักษามารยาทเป็นกติกาสังคมส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเกิดความเครียดนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมีการแลกเปลี่ยนเราจะให้จิตอาสานะมีสองท่านสองท่านเนี่ยสองโปรแกรมนะมาสาธิตให้คณะคุณครูเนี่ยได้เห็นเราจะเข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าอินไซเอาคืออินไซเอาคือข้างในมันสั่งข้างนอกมันสั่งกายภาพ ไม่จะเกิดยังเราฝึกอาลบิกเราฝึกเต้นบัลเล่อันนี้อาศัอินนะต้องอาศัยสมองสั่งการอาศัยการชำนาญแต่ตอนจิตเราเขออ้าไปใ น, นจิตปุ๊บจิตเดินเราฝึกมาตั้งหลายชาติแล้วแค่มหาสติปฐานคือสติใหญ่เนี่ยเขาจะมีกำลังไปดึงเอาประสบการณ์เราเนี่ยมาถ่ายเทให้จิตปัจจุบันแล้วร่างกายปัจจุบันก็ทีแรกๆ ก, ก็เคร่องก้างๆๆอยู่เพราะมันไม่คุ้นเคยนะแต่เขาใช้เวลาสั้นมาก ฟื้นฟูปัญญาประสบการณ์เดิมที่เขาฝึกมาแล้วเนี่ยเขาจะทำได้หลายท่านไม่เคยฝึกโยคะเลยในชาตินี้บางทีอดีตรเราภาคหนึ่งเราเป็นโยคีเราจะเอาโยคะในอดีตมาสอนจิตปัจจุบันเดี๋ยวเราโยคะเราจะเป็นเองนี่คือตัวปัญญานะมีสติตลอดถ้าไม่มีสติเดี๋ยวจะมีสองโปรแกรมนะโปรแกรมหนึ่งเราเรียกว่าที่ศูรเรียกว่าสุริยันจันทา คือใช้อลิยบทยืนแล้วก็ยืนหมุนนะแรกๆจิตมันจะสอนให้เราเนี่ยเหมือนเด็กๆยืนตั้งไข่น่ะทรงตัวก่อนเมื่อทรงตัวจากเร็วที่สุดนะก็ไม่ล้มแล้วต่อไปมันจะเป็นความชำนาญ น, นะเป็นความเนียนนะจิตมันจะเพรคือคือเขาจะมีลูกเล่นนะนะ พรว่าเวลาเราหมุนเร็วๆนี่ถ้าร่างกายเราไม่สมดุลสองแขนเราไม่สมดุลเนี่ยมันจะเซหรือเราเผลอคิดปุ๊บเนี่ยเราจะหลุดจากวงจรนั้นเลยนะอันนี้เรียกว่าอารมณ์โสดชงเราจะมีสติสัมโพชงมีสมาธิสัมโพชงมีวิริยะสัมโพชงคือสัมโพชงคือเขาดาเนินไปตามธรรมชาติของเขาไม่เนื่องด้วยการสั่งการอันนี้แหละคือโสดชงเป็นตัวสุดท้าย นะถ้าในสายพุทธเราเนี่ยเครื่องมือในการทำให้เราพ้นทุกเนี่ยไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธินะแค่นั้นสติสมาธิเป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าโพธิปักขียธรรม37ประการไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดวิชาหนึ่งอันแรกคือสติปัฏฐานสี่เราต้องมีกายเวทนาจิตธรรมเทวดาไม่มีเรามีแล้ว นะแล้วต้องใช้กําลังของอิทธิบาทสี่นะฉันทะวิทยาจิตตาวิมังสามาเป็นเครื่องมือช่วยแล้วต้องใช้สัมมัติประธานสี่สำรวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้น เ, เพียนละกุศลอกุศลที่มันมีอยู่แล้วให้มันหมดไปเพียนสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นสํารวมระวังให้กุศลมันมีอยู่แล้วไม่ให้มันหมดไปเอาตัวนี้มาใช้ด้วยสติประธานสี่ อิทธิบาทสสมัชชประทาน4 4 3 2ไม่พอต้องใช้อินรี่หพระละห้าอินรียหคืออะไรมมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วเอามาใช้ยิ่งใช้ก็ยิ่งชำนานมีกำลังมากขึ้นกลายเป็นพระละห้าเนี่ยสองก็เป็น10บวกกับ12เป็น22อพอไหมไม่พอต้องใช้โพชฌงเจด้วย โพชชงเจ็ดอยู่ในจิตใต้สำนึกเราทุกคนมีอยู่แล้วเป็นบารมีเก่าที่เราฝึกมาหลายชาติอัมาต่อยอดนะพโอดชงเจ็ดสติสัมพโอดชงมีสติอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่ใช่ฝึกสตินะนี่เรียกว่าพโพดชงมีวิริยะสัมพโอดชงมีปัจสทธิสัมพโอดช์มีธรรมวิจยะสัมพโอดชงอันนี้ฟังไม่ต้องไปจาก็ได้นะเพราะครูชี้ให้ดูว่ามันก็มีพโอชงทั้งเจมีสมาธิสัมพโอชง อุเบกขาสมโพชงเรามาต่อยอดมันเจบวก22กลายเป็น29ไม่พอบวกมักมีองค์8ไปด้วยอีก8ดข้อกลายเป็น37เราต้องใช้เครื่องมือ37ประการนี้เป็นเครื่องมือเดินทางของจิตไม่ใช่อยู่ที่สมาธิสติอันนั้นคือแยกย่อยไปเรียนวิชาต่างๆนะในสังคมไทยล่ะ แลหลายศาสนาก็สอนเนี่ยเราเห็นทุกๆศาสนามีทั้งคนดีคนไม่ดีมีทั้งคนบนรรลุธรรมมีขั้งคนไม่บรรลุธรรมแหละอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปแข่งกันแต่แต่ละหลายศ า, าสนาเดินมาดีๆ3ามสี่ปีก็หลุดออกไปเห็นไหมเพราะไปติดอยู่แค่สติติดแค่สมาธิเราเข้าไม่ถึงกล่องปัญญาและโพชฌงมมันไม่เกิดขึ้นนะเราใช้เครื่องมือ37ประการซึ่งเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยม มาเป็นเครื่องมือเดินทางเหมือนเรามีรถยนต์นั่นแหละเราก็ต้องเติมน้ามันเราเดินทางเราเตรียมเชื้อผ้านะ เ, เตรียมเตรียมเครื่องมือเดินทางเดินออกจากป่านี่นี่เราต้องมีเครื่องมือเหล่านี้แล้วก็ช่วงสั้นๆสามวันถ้าทุกคนเนี่ยตั้งมั่นทุกคนจะมีเครื่องมือนี้นี่สาประการขึ้นมาใช้ทันทีเครื่องมือบางอย่างต้องเข้าไปเอาของเก่าเราจิตแตจิต ถ้าไม่เข้าไปในจิตเนี่ยเราไปเอาโพชงมาใช้ไม่ได้นะตอนนี้เรามีอยู่แล้วสติปัฏฐานสนะอันนี้ฟังเข้าๆนะเมื่อรู้วิชาศาสนาแต่และศาสนาแล้วต้องนำมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วต้องนำไปประพฤติเป็นวิถีชีวิตเราเราถึงจะพ้นทุกข์ได้แน่นอนต้องมีศรัทธาในสิ่งที่เราทำมีขันติ มีวิริยะถ้าเราไม่มีศรัทธาสิ่งที่เราทําพอเราไปเจอนั่งไปนั่งมาอุ้ยมันเมื่อยแค่เมื่อยเฉยๆยับๆเนี่ยก็ไม่อยากนั่งแล้วเห็นไหมแค่เจ็บเฉยๆว่าอุ้ยหยุดดีๆไม่ชอบมานั่งให้มันเจ็บทําไมเราก็ถอยแล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าเราไม่เริ่มจากศรัทธาแล้วเนี่ยไม่ว่าทางโลกทางธรรมเนี่ยเราจะทําอะไรไม่สําเร็จอันนี้ต้องมีศรัทธามีวิริยะมีขันติไม่ต้องศรัทธาพระครูนะผู้เจ้าก็สอนให้ ศรัทธากับจิตที่สิ่งที่เราทำอยู่นะให้ศรัทธากับสิ่งที่เราทำนะถ้าเราไม่ตั้งมั่นศรัทธาแล้วทุกคนผ่านไม่ได้เพราะเราหนีกระแสกรรมเราไม่ได้อย่าห่วงทุกคนสร้างกรรมมาเยอะมากไม่งั้นเราไม่ได้มาเกิดอีกแต่ว่าอย่าประมาทตัวเองถ้าทุกคนไม่มีบุญมหาศาลเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เรามีสองด้านชีวิตเป็นของเรา เราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ตรงไปก็ได้นี่คือสิทธิถ้าเลี้ยวสายเปรียบเสมือนว่าเราจะสร้างกรรมไปสู่นรกก็เป็นสิทธิของเราเราจะเลี้ยวขวาเราจะสร้างบุญไปติดบุญไปขึ้นสวรรค์ก็เรื่องของเราเรามุ่งตรงไปไปสู่นิพพานก็เรื่องของเราเป็นสิทธิของเราทุกคนสามารถกําหนดชีวิตตัวเองได้อดีตกรรมเราเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วเราจ่ายมันไม่มีวันหมดหรอกแต่ช่วงที่อยู่มันเกิดปุ๊บรับมันนะ ให้มันอ่อนลงแล้วก็เพิ่มกระแสกุศลนันนี่ให้มันมากกว่าแล้วก็ตัดกรรมคําว่าตัดกรรมไม่ใช่ว่ากรรมมันหมดนะยกตัวอย่างในสายพุทธเนี่ยนะทุกๆศาสดาก็มีกรรมนะก็มีบุญด้วยนะยังสายพุทธเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะตัสรุปธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาแล้วเห็นไหมจบแล้วเป็นมหาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แล้วยังโดนเทวทัตเล่นงานเห็นไหมแต่กระทบไม่กระเทือน เทวทัตก็เลยตกนรกแต่เทวทัตตกนรกพระองค์วิาธีสุดท้ายยังอาหสิกรรมพระองค์บอกว่าเราลืมแล้วเราจําอะไรไม่ได้เลยเพระองค์ไม่มีพยาบาทแต่เทวทัตสร้างกรรมก็ต้องรับกรรมนั้นแต่พระองค์เคยสร้างกรรมร่วมกับเทวทัตมาหลายชาติมันก็ฝังอยู่ในจิตเทวทัตนะเราไม่สามารถล้างจิตเทวทัตได้แต่เจ้าใช้สะล้างของตัวเองได้นะแต่ช่วงที่ เรายังอยู่กรรมมันจะเกิดขึ้นก็ช่างแต่มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้แต่เราหยุดกรรมไม่ได้นอกจากวันใดวันหนึ่งหมดเวลาเราแล้วเราละสังขาร น, นี้ละขันตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกธาตุนี้เนี่ยกระแสกรรมมันก็ไล่บีเราไม่ได้นะครับถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมีอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่ต้องเกิดทุกคนมีสิทธิ์เพราะเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ โอเคนะช่วงนี้ก็หยุดแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปดำเนินตามโปรแกรม